วัดขัดกล่าวกิเลสเช่นการอยู่ป่าเป็นวัดเผาความมากักมากได้ห้าศีลการรักษากายและวาจาใจให้หมดจดจากทุจริตเผาความทุศีนได้หกสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิต ท, ที่บรรลุฌานเพราะเผานิวรณ์ห้าได้เจ็ด